เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีกะผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในร่างคนและชอบกินของสดของขาวคนที่เลี้ยงผีกะจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของ ผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนหิ้งเกือบถึงเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองผีกะแต่เดิมที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่า ผีกะพระนางผีกะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆสองตัวมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่านักแสดงจะขี้เรขนาดไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียน่าทำให้ยิ่งดึกก็ยิ่งงดงาม การเลี้ยงผีกะจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกะมีคุณอันันต์แต่ก็มีโทษมหันต์หากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอดอยากยากมันก็จะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูด ชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปอยู่เป็นประจำผีกะได้แตกสาขาออกเป็นหลายชนิดดังนี้หนึ่งผีกะพระนางผีกะต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อให้มันเรียกคนดูมาชมทําให้คนดู หลงไหลในการแสดงของนักแสดงคนนั้ น, น, นแม้ว่ากลางวันจะขี้เรแค่ไหนแต่ตอนกลางคืนผีกะสามารถทำให้นักแสดงคนนั้นสวยหรือหล่อหยาดฟ้ามาดินเลยทีเดียว 2. ผีกะดงจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ท่านบอกว่าผีกะดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้าน ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งวัยดุดลมพัดมักจะออกหากินกันเป็นฝูงในยามพลบค่ำแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรีดังมีเรื่องเล่า ว, ว่า มีชายหนุ่มผู้หนึ่งหลงรักลูกสาวของข้าหบดีในตัวเมืองแต่พ่อตาไม่ชอบเพราะว่าชายหนุ่มเป็นคนยากจนคนแคนและจัดการให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับชายหนุ่มที่มั่งคั่งร่ำรวยกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเองกดราเรื่องของเจ้าสาวดีจึงส่งคนมาทาร้ายคนรักของเจ้าสาวและหิวไปทิ้งในป่า ชายหนุ่มสะบักสะบอมเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแต่ก็ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ได้แต่ปลงต่อความตายรอให้สัตว์ร้ายในป่ามากินประจวบกับเวลานั้นมีฝูงผีกะดงกำลังออกหากินอยู่พอดีลูกฝูงผีกะได้จับขาชายหนุ่มเพื่อลากไปเป็นอาหารชายหนุ่มนิ่งเงียบปลงต่อชีวิต หัวหน้าพิกะเห็นเช่นนั้นจึงรู้สึกแปลกใจมากก็ได้ห้ามลูกฝูงและสอบถามเรื่องราวจากชายหนุ่มชายหนุ่มเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดหัวหน้าพิกะเกิดเห็นอกเห็นใจจึงบอกว่าหากชายหนุ่มยอมนับถือพวกตนเป็นผีประจำตระกูลจะช่วยให้ชายหนุ่มได้สมหวังชายหนุ่มตอบตกลงพิกะ จึงพากันรุมเลียตัวของชายหนุ่มด้วยอานุภาพของน้ำลายผีกะดงบาดแผลจากการถูกทำร้ายได้หายสนิทฝูงผีกะได้พาชายหนุ่มนั่งบนบ่าบุกบ้านแต่งงานลูกน้องของเจ้าบ่าวรุมทุบรุมฟาดชายหนุ่มแต่ก็ไม่อาจทำร้ายชายหนุ่มได้แม้แต่ปลายขนเพราะมีฝูงผีกะดงบังตาไว้ และถีบลูกน้องจนกระเด็นตกเรือนกันหมดพวกผีกะได้พาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาโดยสะดวกหัวหน้าผีกะได้ให้ทองคำและทรัพย์สมบัติที่พวกตนรักษาไว้ชายหนุ่มก็ปฏิบัติตามคำสัญญาและนับถือผีกะเป็นผีประจำตระกูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 3. ผีกะอาคม การเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณครูจะหวงวิชามากดังนั้นก่อนการเรียนจะต้องมีการขึ้นครูก่อนเสมอเพื่อให้อาคมนั้นสามารถรักษาผู้เรียนได้มีคนบางคนที่เรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงโดนคำสาบที่ครูสาบแช่งไว้ในปับ๊บหรือตำรา น, นั้นๆทำให้กลายเป็นผีกะ ผีกะชนิดนี้จะสิงสู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหาอาหารโดยแปลงตัวให้เหมือนหน้าร่างกายที่มันสิงอยู่ผีกะชนิดนี้เป็นผีกะที่มีพลังเยอะมากจัดการกับมันได้ยาก 4. ีผีกะตระกูลผีกะชนิดนี้เป็นผีกะอีกสายหนึ่งที่มีคุณอนันต์เช่นกัน ผีกะตระกูลนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายของชาวเหนือวิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆไม่ว่านานั้นจะอยู่ที่ดอนหรือที่ลุ่มไม่ว่าฝนจะแรงหรือฝนจะขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีกะจะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีแมลงมารบกวนไม่มีโรคระบาดผีกะชนิดนี้ เลี้ยงดีมีคุณมากถ้าเลี้ยงไม่ดีผีจะออกหากินสิงสู่ชาวบ้านเมื่อโดนหมอผีไล่มันก็จะประจานผู้เลี้ยงทำให้อับอายขายที่หน้าชาวบ้าน 5. ผีกะตายโหงคนบางคนเมื่อตายโหงจิตใจยังพะวกพะวนกับโลกจึงสิงสู่ในที่ที่ตนตาย แต่เพราะความยึดถือในกายว่าตนยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆเข้ามันจึงหิวกระหายและจะไปสิงสู่คนผู้ที่มีจิตอ่อนแอทำให้กลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัว 6. นกเขาผีกะผีกะชนิดนี้มีทูตเป็นนกเขาแมวสังเกตได้ง่ายว่าหากจะมีผีกะมาเยือนหมู่บ้านไหน ในตอนกลางคืนคืนนั้นจะมีนกเข้าแมวมาร้องเรื่องราวพลังอำนาจของผีกะถ้าเราจะแบ่งชนิดโดยวัดจากความรุนแรงความโหดความเฮี้ยนความดุและระยะเวลาในการสิงสู่เหยื่อก็สามารถแบ่งเป็น3มชนิดคือ 1. นผีกะธรรมดาผีกะชนิดนี้จะไม่เฮี้ยนไม่โหดเหี้ยม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ถูกสิงมากนักหรือสร้างความรำคาญแค้นเคืองต่อเหยื่อน้อยมากเป็นการมาเที่ยวเยี่ยมเยือนทักทายกับญาติพี่น้องของเหยือ่อมีความละอายพอสมควรบางทีจะออกเองไม่จำเป็นต้องใช้หมอมาปราบ 2. ผีกะงอนผีกะชนิดนี้จะมีพฤติกรรมอารวาสเหยี่ยมโหดทรมาน ใช้เวลานา น, านหมอปราบหรือปูจานต้องทำพิธีนานหลายรอบคำว่างอนหมายถึงมันแก่เหนียวทนทานเสมือนไก่มีงอนงูมีงอนคงทนอยู่นานแก่กล้าวิชา 3. ผีกะยักษ์ผีกะชนิดนี้มีพฤติกรรมที่ดุร้ายรุนแรง เก่งกล้าผาดผนด้วยกำลังวังชาและลิบเดชเสมือนยักษ์เหยื่อจะได้รับอันตรายถึงป่วยไข้และถึงเสียชีวิตจำเป็นต้องมีหมอผีระดับเซียนระดับเกจิอาจารย์หรือบางทีต้องใช้หมอผีหลายคนหลายตำราจากหลายสำนักช่วยกันเข้าปราบถึงจะเอาอยู่และใช้เวลานา น, านมาก หรือบางทีก็ไม่สามารถเอาชีวิตเหยื่อไว้ได้บางตำนานก็เล่าว่าผีกะยักษ์เดิมก็คือพระหรือผู้ที่มีคาถาอาคมแต่ชอบขโมยของวัดเมื่อตายไปแล้วจึงได้มาเฝ้าทรัพย์สินอยู่ที่วัดไม่ให้ใครเอาไปผีกะยักษ์จะมีนิสัยโหดร้ายจึงไม่ค่อยมีหมอผีและผู้มีคาถาอาคมไปยุ่ง หรือไปทําให้ผีกะยักษ์เกิดอาฆาตขึ้นมาเพราะถ้าไปยุ่งเมื่อไรเพียงไม่นานคนคนนั้นก็จะตายผีกะมักจะออกอาลวาดช่วงตอนเย็นตอนพลบค่าและตอนกลางคืนแต่เวลาอื่นก็มีบ้างเหมือนกันผีกะมักจะกลัวแสงสว่างอยู่แล้วตอนกลางวันจึงเกิดขึ้นน้อยมาก สัญญาณบอกของผีกะเมื่อผีกะจะออกอารวาสก็จะมีนกเขาผีกะหรือนกเขาแมวบินมาร้องที่บ้านของเหยื่อติดต่อกันหลายครั้งบางครั้งนกเขาผีกะจะบินนำผีกะมาที่บ้านของเหยื่อส่งเสียงร้องผ่านเข้าบ้านเกาะหลังคาประตูหน้าต่างทุกคนจะตกใจเหยื่อเคราะหร้ายก็จะโดนสิงทันที แสดงอาการหวีดร้องให้ให้หุยหุยดังลั่นผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นผีกะงอนหรือผีกะยักษ์ผีกะจะขี่ม้าห่อวิ่งมาเสียงวิ่งของม้าจะดังลั่นฝุ่นฟุ้งตลบจากบ้านผีกะมายังบ้านของเหยื่อฟังแล้วขนลุกสู้ซา ยิ่งเป็นยามรติกาที่บุ้คล น, นอนหลับไหลกันแล้วเสียงหุยให้ก็จะยิ่งกลางวานขึ้นมันช่างน่ากลัวจนนอนไม่หลับผีกะงอนและผีกะยักษ์สามารถเข้าสิงเหยื่อได้ทุกเพศทุกวัยก็เพราะมีความกันหรือว่าความดุอยู่แล้วจึงเป็นที่หวาดกลัวกันไปทั่วเรื่องราวของผีกะบัดนี้ เหตุการณ์บางแห่งก็ยังมีอยู่แต่ส่วนมากจะเลือนหายไปพร้อมกับอารยะธรรมสมัยใหม่ที่ลังไหลเข้ามาผีกะมักจะชอบทําร้ายคนที่ดวงตกขวัญอ่อนชอบทําร้ายเด็กและทําร้ายคนที่มันหรือเจ้าของไม่ชอบการออกไปทําร้ายของผีกะนั้นจะมีอยู่สองสาเหตุคือ 1. เจ้าของสั่งให้ไปทำร้าย 2. เจ้าของเลี้ยงไม่ดีผีกะจึงออกไปทำร้ายสิงสูงคนอื่นเพื่อให้เจ้าของอับอายขายหน้าการทำร้ายของผีกะนั้นอาจจะเข้าฝันคนที่มันต้องการจะทำร้ายในความฝันนั้นผีกะจะเป็นหมาดำและจะเข้ามาทำร้ายเราในความฝัน ถ้าเราสู้กับมันในความฝันไม่ไหวก็จะชักตายทันทีอีกวิธีในการทำร้ายของผีกะคือมันจะเข้าคนที่ดวงตกขวัญอ่อนหรือเด็กโดยการเข้าสิงร้องไห้โหยหวนรบเราจะกินนั่นกินนี่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดอาหารขาวเช่นลาบลูเนื้อสดไก่สดเลือดสด อาหารสดของขาวทั้งของคนและของสัตว์ทำเนียมการให้เครื่องเส้นผีกะมีอยู่ว่าผู้ชายก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่เส้นไข่ดิบคนละฟองเท่านั้นแต่ผู้หญิงจะต้องเส้นผีกะด้วยเนื้อสัตว์ดิบๆและถ้าแม่ตายก็ต้องสั่งเสียให้ลูกสาวทำต่อตกทอดกันไปรุ่นสู่รุ่นถ้าแม่บ้านบ้านไหน เลี้ยงผีกะไม่ดีผีกะจะเข้าสิงคนเลี้ยงจากนั้นก็จะแพร่พันธุ์ให้คนในบ้านต่อๆไปจนกลายเป็นผีกะกันทั้งบ้านหลังจากนั้นเชื้อสายของผีกะก็จะตกทอดไปแบบทายาทอสูรคือลูกสาวคนสุดท้องจะต้องเป็นผีกะต่อจากมารดาไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านนั้นจะสิ้นลูกสิ้นหลาน แต่ถ้าครอบครัวนั้นไม่อยากสืบทอดการเป็นผีกะแล้วก็ให้เอาน้ำลายของคนที่เป็นผีกะไปไป้ายที่ปากแมวโพงเจะแมวตัวนั้นก็จะได้รับการถ่ายทอดเป็นผีกะแทนชาวเหนือเชื่อกันว่าผู้หญิงที่เป็นผีกะจะมีเสน่ห์แรงมากทำให้ผู้ชายหัวทิ่มหัวตากันเป็นทิวแถวถ้าสาวคนไหนมีหนุ่มมารุมจีบเยอะ ผู้ชายจึงต้องทดสอบว่าเธอเป็นผีกะหรือเปล่าด้วยการใช้ตองกล้วยงำเครือก็คือใบตองใบสุดท้ายที่ปกเครือกล้วยมาลงคาถาปลุกเสกจากนั้นก็เจาะใบกล้วยเป็นรูแล้วมองหญิงสาวผู้นั้นผ่านใบกล้วยไปถ้าเธอเป็นผีกะจะเห็นแมวหรอตัววอกตัวเล็กๆสองตัว เกาะอยู่บนบ่าผู้หญิงคนนั้นช่วยการแลบลิ้นเลียใบยหน้าของเธอให้สวยงามมีประกายอยู่ตลอดเวลาสำหรับวิธีการปราบผีกะที่เข้าสิงร่างคนนั้นพอนานปูจารหรือผู้มีคาถาอาคมจะขู่ให้ผีกะบอกชื่อและจะถามสาเหตุที่มาทำร้ายคนแล้วไล่ให้ออกจากร่างไป ถ้าผีกะไม่ยอมออกจากร่างผู้ที่มีคาถาอาคมจะใช้กะลามะพร้าวหรือหม้ อ, อกแกงมาสวมศีรษะคนที่ถูกเข้าสิงแล้วท่องคาถาเอามีดขูดกะลามะพร้าวหรือหม้ อ, อกแกงเมื่อผีกะออกไปแล้วรุ่งเช้าผมของคนที่เป็นเจ้าของผีกะก็จะร่วงตามแนวมีดที่ผู้มีคาถานั้นขูดกะลามะพร้าว หรือหมอกแกงไว้ฉะนั้นชาวบ้านก็จะรู้ได้เลยว่าคนที่ผมร่วงนั้นเป็นเจ้าของผีกะจริงๆและอาจจะมีการใช้มีดหมอซึ่งทำมาจากงาช้างกําจัดหรือแง่งไพลแทนก็ได้หรืออาจจะใช้หางปลากระเบนต้นขาแดงยันก้อมหรือตะกุดคนสมัยก่อนเล่าว่าก่อนที่ผีกะจะออกจากร่างชาวบ้าน จะเอาเตี่ยวหม้อนึงซึ่งเป็นผ้าที่ใช้พันรอบรอยต่อระหว่างหม้อนึ่งกับไห่ข้าวหนึ่งของชาวเหนือมาพันคอไม่ให้ออกจากร่างแล้วขู่ให้ผีกะบอกชื่อคนที่เป็นเจ้าของถ้าผีกะไม่ยอมออกจากร่างผู้ที่มีคาถาอาคมจะเป่าพริกแห้งที่ตาแล้วใส่หน้าคนที่ถูกผีกะเข้าสิงเมื่อผีกะออกจากร่างแล้ว รุ่งเชา้าคนที่เป็นเจ้าของผีกะนั้นก็จะตาแดงจนไม่กล้าออกไปข้างนอกบ้านและบางทีถ้าผีกะไม่ยอมออกจริงๆก็อาจจะถึงขั้นจับแก้ผ้าประจานกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นผู้ที่มีคาถาอาคมจะต้องป้องกันตัวเองและลูกหลานโดยจะใช้คาถาต่อเจ็ดตัว มัดคอลูกหลานไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผีกะมาทำอันตรายได้ผีกะหรือคนเลี้ยงผีกะไม่ชอบนกเอียงคําหรือนกขุนทองเพราะนกขุนทองพูดเรียนเสียงมนุษย์ได้ว่ากันว่านกเอียงคําที่เลี้ยงตามบ้านมักอายุไม่ค่อยยืนเพราะจะโดนผีกะทำร้ายเอาเสมอและที่เคยพบเสมอในบ้านชนบท ที่คนนิยมเลี้ยงนกขุนทองเขาจะมียันกันผีกะห้อยไว้กับกรงนกด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อป้องกันนกจากผีกะนั่นเองความเชื่อเรื่องผีกะได้สะท้อนค่านิยมในการดำรงชีวิตของผู้คนชนบทความสัมพันธ์เกื้อกูลกันเป็นสิ่งจำเป็นที่ก่อให้สังคมอยู่อย่างสันติการถูกปฏิเสธ และไม่ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นบทลงโทษที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับผู้คนชาวชนบทล้านนาเรื่องราวของผีกะที่เราได้รวบรวมมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องหลอนเรื่องลีงล้ลับอย่าลืมกดติดตามช่อง